ทรงปรารบภิกษุณีหลายรูปถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูปฉันเสร็จแล้วบอกห้ามพระตาหารแล้วยังฉันในที่อื่นอีกในสิกขาบทที่สนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตหกสมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานสสมุดฐานละ